ได้ยินได้ฟังเอาไว้เป็นพระหูสูตรเป็นพระหูปัญญาให้มันเกิดได้หลายอยทางการได้ยินได้ฟังเนี่เป็นสูตรตรมยปัญญาการไปแยกไปแยะเรียว่ากินตรรมยปัญญาการกระทำลงไป สิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเร่อว่ า, าพระวนาไมายัปัญญาหลายอย่างให้การศึกษากับตัวเองการศึกษาในอยาได้จ น, จนอย่างสมัยขงพปุยเนะจ<น>้าอรหัน มีเอตตะทะะต่างกันโดยพระหุป right right mm, ัญญาเกิดขึ้นกับพระภิกษุสงฆ์โดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมเนี่ยการเจริญสติเนี่ยถ้าปฏิบัติมันเป็นทั้งวิชาพระศึกษา มันเป็นทั้งคณิตศาสตร์มันเป็นทั้งวิทยาศาสตร์เปรตอะไรหลายหลายอย่างเป็นพะศึกษาได้อย่างไรเห็นเราเดินจงกรมเรายกมือสร้างจังหวะเราเคลื่อนเราไหวมันเป็นพลังที่จำนจรจำนาญในการใช้กาย ให้คิดใจเราใดมันหล ง, ลงเราลู้สึกตัวเนี่ยก็เป็นพละพะลังแห่งความลู้สึกตัวหลายอย่า ง, อ ย, า ง, อ, ยางอยู่ในภาคปฏิบัติการเดินจงกรมการสร้างจังหวะเนี่ยทำให้สุขภาพแข็งแรงการใช้ตาใช้หู ใช้จมูกใช้ลิ้นใช้กายใช้จิตใจให้เป็นภาระพาระให้เกิดปัญญาเอาสายตาให้เกิดปัญญาเรียกว่าพาระสําเร็จใจหูใช้จมูกลิ้นกายใจให้มันเป็นปัญญาทุกอย่างรอบด้านมาเปลี่ยนเป็นปัญญา การเจริญสติมันก็ไปแบบนั้นแหละเป็นสติเ ป, สตเป็นปัญญามันก็ไปทางนั้นการเจริญสติมันก็มีทางเป็นสูตรสูตรทางนี่ไปทางเดียวกับพระพุทธเจ้าเช็นเราเจริญสติเราลูบสึกตัวอยู่กับกายมันก็ไปทางเดียวกันแล้ว รู้สึกตัวอยู่กับเวทนารู้สึกตัวอยู่กับความคิดรู้สึกตัวอยู่กับธรรมที่มันเกิดขึ้นกับคิดใจก็ไปทางเดียวกันเห็นความโงเอาหอนอนเห็นความลังเลสงสัยเห็นความคินนคมสสคมคดพุ่งสานเห็นพยาบาทเห็นกรรมราคะ เห็นอุปาทานจริตนิสัยของเราเคยไหลเคยติดเคยเปอเคยเปื้อนเคยไปต่ออะไรเหมือนกันแล้วก็มาเป็นปัญญาเป็นกำลังที่ได้จากการกระทำกำลังสติปัญญากำาลังกายก็ได้เอากายช่วยเอากายช่วยสติ เอาสติช่วยกายเอาใจช่วยสติเอาสติช่วยใจทั้งกายทั้งใจสั้งสติเป็นสมังคีช่วยกันให้เกิดปัญญาเรียกว่าเรียกว่าแนวร่วมก็เป็นพลังรูปแบบที่เราสร้างนะ ก็เป็นพลังทำให้เกิดความร่วมมือทั้งกายทั้งใจทั้งสติทั้งปัญญาอทีก็ศีนด้วยสมาธิด้วยความอดทนด้วยหลายอย่างที่มันเกิดพลังร่วมขึ้นมาล้วนแต่เป็นพะศึกษาทั้งนั้นแต่ก่อนเราเคยอ่อนแอคลอยตามผะาลมอาการต่างๆ ดวนไปยินดีดวนไปยินร้ายพอใจไม่พอใจเสือใจดีใจเรียว่าอ่อนแรไม่มีพลังพลังนี่ทั้งกายทั้งจิตเนี่ยมันเป็นพลังแห่งการกับเคลื่อนไปสู่ศีลสู่สมาธิสู่ปัญญาปัญญาก็เป็นพลังอีกปัญญาเขาเรียกว่า ปัญญาวิมุตต์จะหลุดพ้นด้วยปัญญา <c oughs> แต่ทงางควิมุตต์จะหลุดพ้นโดยความเข้มแข็งไม่หวั่นไหวอะไรเกิดขึ้นไม่หวั่นไหวเหมือนภูเขาสีลาเทงทึบไม่สะเทือนพระรม ผู้มีสติมีปัญญาไม่ผันไหวเพราะการนิทาฉลเสริญนี่ก็เป็นพลังเป็นพละเหมือนกันวิขมภนาวิมุตขมมันไว้จนเห็นเวทนาเห็นเวทนาสัาวเวทนาขมแล้วไม่แสดงออก การไม่แสดงออกการไม่โวยไม่ไหวไม่ไหวเนี่ยกว่าข่มไม่พูดการไม่พูดการไม่แสดงออกน่านเรียกว่าโศล จ, จัตเต็นทรมันทาให้งามขันติด้วยอดทนด้วยประลังแห่งความอดทนประลังแห่งความสงบเฉยแต่ก่อนนี้เราไม่เคยฝึกกรรมฐาน มันก็ปิดบังเบธ น, นาปิดบังความไม่เที่ยงปิดบังความเป็นทุกข์ปิดบังความไม่ใช่ตัวตนพอเรามาเจริญสติตามรูปแบบของกรรมฐานจะเรานั่งสร้างจังหวะก็ดีการเดินจงกรมก็ดีมันมีความอดทนมันมีอะไรอยู่ตรงนั้นเยอะแยะไปหมดเลยเราก็เกิดการเห็นต่างๆ แต่มันแสดงออกเราก็เห็นอย่านั้นถ้าไม่ <c oughs> ถ้าไม่ทำอย่างนี้นะมันก็ไม่มีกําลังกําลังกายก็ไม่มีกําลังจิตใจก็ไม่มีความมุง่มงถ้ามันเกิดความมุ่งขึ้นมาเสริมพลังกําลังของสติ พลังของกายพลังของจิตใจพลังอะไรอีกหลายอย่างศีลก็มีได้มันง่วงแบบมีอะไรที่จะทำให้มันไม่ง่วงปัญญาก็มีแล้วมาแล้วในสติเอาลืนต่อขึ้นมองท่องพระในความรู้สึกตัวกำหนดการเคลื่อนไหวเปลี่ยน ความง่วงเป็นความตื่นความรู้สึกตัวมนจันทนท่านพูดว่าถ้ามันง่วงจะไม่หลับตาถ้าหลับตาในเวลามันง่วงเวลาปฏิบัติขอให้ตาบอดซะันว่ามันก็พูดีเัาอย่างจันทนไหมพระชาวฮอนแลน วันหลังาพู ด, ดีดีอ่านไปพูดอยู่ที่คนบุรีไปปฏิบัติธรรมร่วมกันหลวงพ่อก็ไปร่วมกับเขากับคนหมูกับพามเองเอยู่นั้นส า, ามวันสี่วันสามวันกลับมาเมื่อวานนี่กลับมาแล้วก็มาที่นี่เลยนอนอยู่วัดคืนหนึ่ง เวมัน่วงถ้ารับตาเนขอให้ตาบอดเลยเขียนตัวเองเลยเาเรียกว่าทุดงเหมือนกันนะทุดดงคืออะไรไม่อ่อนแอเข้มแข็งขูดกล ow เมื่อท่านอธิฐานเนี่ยนั่นท่านก็สู้เพง่วงก็เลยกลัวเลยเพราะมันมีพละพละอะไรพละแห่งสัจจะพละแห่งอธิฐานสัจจะพละมีอธิฐานพละมี สมัยก่อนพระพุทธเจ้าตัดสรู้กก็มีสิ่งเหล่านี้ช่วยนะมีสิบทัตเนี่ยสู้มานได้นะสะจอธิฐานขันติสติสมาธิปัญญามาเสริมเข้าไปเราปฏิบัติถ้าสิ่งไหนไม่ใช่สติต้องเสริมเข้าไปอย่า เลีกทางให้มันมนั <c oughs> ้นไม่เ ร, ไเราเราไม่ได้มีวัตถุประสงค์อย่างนั้นให้แนวแน่แนแนเรามีวัตถุประสงค์เจริญสติเวลา น, นี้เวลา น, นี้เรามีวัตถุประสงค์การเจริญสติสมัยปฏิบัติธรรมใหม่ๆ <ở> หลวงพ่อก็เคยใช้สัจจ ะ, จะอธิษา <ทำ S 1> ธฐานเรื่องนี้เหมือนกันจากเจ้าศิษย์ ฉันเชาวเสร็จอุมบาดกับกติไม่ขึ้นกติวางบาดปนกติเดินจงกรมเลยเมื่อใดไม่ได้ยินเสียงเพลจะไม่จะไ ม, จะไม่นั่งจะไม่นั่งสร้างสติเดินกลับไปเดินก็ับมายืนก็ได้ยินเสียงเพลงแล้วเออ ไปฉันเพลนถ้าวันไหนไม่ไปฉันเพลนก็เปลี่ยนอะไบดละกนเดินไปนั่งเพียงต้นเสาเล็กๆหันหน้าเข้าขวาจเจริญสร้างจังหวะทั้งนั่งทั้งเดินเคยใช่อธิษฐานเคยตั้งสัจจะมัองกันรู้สึกว่าบังก็เข้มแข็งนะนั่นก็เป็นการขูดเกลาชีวิตของเราเลยไม่ท อ, ทอไม่ทอดแท้ไม่หวัน่นไหว เกิดความเข้มแข็งการเดินสาสีชั่วโมงเป็นเรื่องเล็กน้อยจะต้องเดินให้เป็นเดินให้เป็นไม่ไม่เหนื่อยนะอย่ากดอย่ากึงเราเดินเดินอ่อนอ่อนเดินง่ายง่ายอย่าไปกี้อย่าไปเพ่งอย่าไปกลึงเดินไปหลงกับหัวเราะมัน เดินไปก้าวไปเดินไปข้าวไปเบาเบก็เดินถูกจริงๆเบาเบ า, บาดูไปดูไปไหนเหมือนไม่มีอะไรมีแต่ก้าววับวตัวลู่ออกท้าก้าวตามหลังเบาที่สุดถ้าตัวหลงออกหน้าตัวลู่ตามหลังหนักนะทวน ต้องทวนกระแสต้องกี้ต้องบังคับตัวยังต้องใส่ใจบางคนต้องตามไปยกส้นหนอยกหนอย่างหนอล้งหนอเหยียบหนอไม่ได้ทั้งสองชั่วโมงเคยไปเดินแข่งกันกับพวกที่เบสที่เบสเขาก่าวเขาก็เป็นหนุ่มนะเราก็เป็นผู้แก่แล้วผู้เท่าแล้ว ใต้ต้นสีมหาโพธิ์เขาก็กราบกราบแบบทิเบตอย่างทุกไม่ใช่เรื่องเด็กนะยืนขึ้นนั่งลงกราบไปเมไปให้หน้าผากให้ไปหน้าให้ปามือให้หน้าอกท้องแน่ไปกับกระดานยังไงเขาจะมีกระดานนะอกเมเลงยืนเฉินไป แขนกขมาลูกขึ้นเืนแเราก็ยกมือขึ้นสุดวางมาลองกราบไปไปหลวงพ่อก็เดินจมกลมหลวงพ่อก็เดินจมกลมใต้ต้นโหเขาก็กราบใต้ต้นโหลองคิดดูว่าเอ้าคนแก่อย่างเราน่จะพิคิดไหลกับที่เบตมันจะเก่งขนาดไหนมันี่ครเอ้าเราก็ไม่จบ ออไปมาเมื่อก็นเหนื่อยนะกราบในสู้สู้เดินไปละเดินเไม่เหนื่อยเลยนิวเขาหยุดสองั้งสามข้างแรยงเดินจังคนทีเขาก็มองเราเขามองเราเขาไม่เคยเดินก็มีแต่กราบการทำความเพียรการปฏิบัติบูชาที่สังเวชใยสถานเขานี่ทำอะไรไม่เป็นมีแต่กราบแล้วกํานั่งนับลูกแทน เราก็เวียนเทียนปกเทเบตเวียนเทียนไม่เป็นเดินไเป็นหรือนับลูกแทนหรือกลัาบางทีเราก็ต้องพิคิดลองดูถ้าไม่ไม่มีอะไรพิคิดก็พิคิดกับตัวเองให้จงได้อะไรมันเกิดขึ้นควาง่วงความคิดความผงซ่านเขาจะบาทการมลคะปฏิฆะความทิฏฐิความสําคัญมั่นหมาย แต่มันเกิดขึ้นถือว่าเป็นหน้าที่ของเราจะต้องมีสติตรงนั้นด้วยเพราะเราปฏิบัติตงไม่หลีกไปทางอื่นอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเราจะแวกเข้าไปมีสติเข้าไปไม่ไ ม, ไม่ให้โอกาสแม้มันจะมีเราก็แวกอยู่สองครั้งสามครั้งอย่างนั้นง่วงง่วงแล้วง่วงอีกรู้แล้วรู้อีก เรินตาแล้วเริ่นตาอีกมันจะง่วงอยู่คนรู้อีกสองรอบสามรอบเอาไปมามันก็เห็นพลังของความรู้สึกตัวมันมันก็หลีกทางให้มันกันเวลาง่วงชัดๆเนี่ยเรามีความรู้สึกที่มันชนะความง่วงทันตีกับมือกับตากับการกระทําของเรานะี่ยมันก็มีรสชาติเหมอนกันนะี่ย มันก็ว่าเคลียตัวเองได้ไดไดเคยผ่านมาได้ควา <ละ S 2> มเคยผ่านความชนะนที่มันเคยเคยฝึกอย่างนี้มันก็มีพลังหลายอยา่างอันมี้อารมณ์อารมณ์มันมาช่วยให้เรามีศิลปะเช่นเราไต่สะพาน เวามันเสยลงเราก็จับเราสะพานได้เราไม่ต้องปล่อยตัวเองให้มันตกลบไปในความคิดในอารมณ์ต่างๆสติเหมือนกับเราสะพานเกาะเอาไว้กับกายของเราเนะี่ยกายของเรากับสตินะ่ะเหมือนเราเดินไต่สะพานที่มีเหล่าจับยากที่จะพัดตกลงไปถ้าเรา ใช่กายใช่สติเพื่อการเน้นไม่มีทางไปทางอื่นนี่ท่านเรียกว่าอารมณ์ของกรรมฐานขณะที่มันไม่ตกลงเราเดินไปเดินมาเดินไปเดินมามาแล้วเอาไปมามันก็ไม่ต้องจับแล้วเมื่อเดินข้ามสะพานสุขโตเนี่ยบางคนก็ต้องจับสะพานเราเดินไปหลายรอบหลายรอบก็ไม่ต้องจับมันได้จังหวะ การเดินจังคงมันก็มีเทคนิคเหมันกันการยกมือสร้างเจ้าวะก็มีเทคนิคเหมือนกันยกแบบไม่เหนื่อยไม่เน็ดเหนื่อยยกเบาเบาเบาใจด้วยเบากายด้วยเบาสติด้วยสติทําให้เบาด้วยยกม่อเบาเบาาอย่าไปกดไปขึงบางทีเราก็ให้เคลื่อนไหวแต่เฉพาะศอกเฉพาะศอก เฉพาะอกวัที่เจามันง่วงก็ยกนั่งเอากระดานเวียงลงไปเอาหลายแบบหรือก็เวียงลงไปนมปนมมือไหว้หลวงพ่อเทียนเคยสอนพวกเราจังหวะไหว้จังหวะกราบหามาใช่ในเวลามันง่วงจะดูไหมจะทําให้ดูจังหวะกราบเวลาเจอง่วงนะ เดี๋ยวเดียวให้พูดจบกดอย่าทำให้ดูจ้างว่าไห้เมื่อเวลามันง่วงมีมันกัดนนะ้ำแล้วก็หาวิธีแก้นจนหาทางหาอยะอย่าไปซื้อบื้อการปฏิบัติมันมีสติมีปัญญาไปในตัวนะอารมณ์่ยมันช่วยเราได้อารมณ์หมายถึงมันได้หลักได้หลั ก, ไ, ลกไปสู้อารมณ์ อารมณ์มันสู้อารมณ์ความวมความง่วงก็เป็นอารมณ์เขาเรียกว่าอาการที่มันเกิดขึ้นกับจิตกับใจเรียกว่าอารมณ์ส่วนเรื่องความปวดความเมื่อยเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับกายมันก็เป็นอารมณ์ของกรรมฐานเราเคยสู้เคยผ่านเคยผ่านเคยผ่านนะสู้อะไรที่มันอยู่กับตัวเองน่ยมันก็ไม่ไม่เสียเปรียบอะไร แต่แพ้ก็แพ้ตัวเอง ถ, ถ้าแต่แพ้ตัวเองเนี่ยน่าอายนะแต่แพ้คนอื่นเนี่ยไม่น่าอายดีด้วยอ้ายอมแพ้คนอื่นเป็นเรื่องดีแต่แพ้ตัวเองหนึ่งไม่จ่ากไปยอมแต่ชะนะคนอื่นก็ไม่ดีต้องชะนะตัวเองมอนกันแต่แพ้ตัวเองก็อยากเป็ยอม ชนะตัวเองก็ชนะทุกสิ่งทุกอย่างผลที่สุดมัก็เข้มแข็งอารมณ์ทิศทางของการเจริญสติอันนี้รูปแบบในช่องทางดีๆเห็นก็เห็นของกริงของกริงที่ไม่กริงของกริงที่กริงอ้าวหลวงพ่อพูดอะไรของกริงที่ไม่กริง เช่นความง่วงมันจริงแบบไม่จริงความทุกข์มันจริงแบบไม่จริงความไม่เที่ยงมันจริงแบบไม่จริงความโกรธมันจริงแบบไม่จริงความหลงมันจริงแบบไม่จริงความจริงแบบจริงมีอันเดียวความไม่หลงนี่จริงจริงจริสักสามครั้งใช่ไ ก็ไม่ทุกข์ก็จริงจริงริก็ไม่โกรธก็จริงจริงจริของจริงที่มันจริงจริงะแล้วก็สัมผัสอยู่นะไม่ใช่เราไม่ได้สัมผัสถ้าจะเปรียบเทียบกันดูมันก็คนคนละมุมคนละรสชาติคนละรสชาติสัมผัสกับความไม่โกรธสัมผัสกับความไม่หลงสัมผัสกับความไม่ทุกข์ สมผัสกับความหลงสมผัสกับความทุกข์สมผัสกับความโกรธเนี <c> ่ย <oughs> มันก็มันก็ได้คําตอบประสบการณ์บทเรียนนี่อารมณ์ของกรรมฐ า, านอย่าไปหานะอย่าไปหานะ่ะอารมณ์ของกรรมฐ า, านมันเกิดขึ้นมาเองถ้าจะถ้าจะบอกตรงๆก็มันเกิดแบบโง่ๆนะผมทุกข์ก็ดีความง่วงก็ดีความโกรธก็ดี ลาคะก็ดีพยาบาทก็ดีมันเกิดขึ้นมาแบบโง่โง่มันไม่ฉลาดอะไรหรอกถ้าเราดูจริงๆหรอกแต่ถ้าเราไม่ดูจริงๆ ก, ก็กลบเกลื่อนกลบเกลื่อนไว้ไม่เห็นไม่เห็นก็มไม่เที่ยงไม่เห็นความเป็นทุกข์ไม่เห็นความไม่ใช่ตัวตนมันก็กลบเอาไว้กลบเอาไว้ เมื่อเขาแสดงออกออก็เรื อ, อกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตพาเปิดดูสักหน่อยมันก็ไม่ใหญ่เหมือนหมาที่ผูกโซ่หมาที่ผูกโซ่มันก็เป็นบ้าโซ่นะนเวล า, นะาหลุดออกจากโซ่มันก็หมนกับบ้าต่างถ้าไม่ผูกมันก็ปล่อยมันก็ไม่มีอะไร กิจใจของเราการฝึกหัดตัวอย่างกระดังปล่อยออกมาดูเหมือนพ่อเหมือนแม่ที่เลี้ยงลกูกเราอุ้มอยู่มันอยากลงไปลุยขี้คโคนลนดิ้นลงไปโอบลงไปลื่นลงไปจากอุ้มของแม่แต่แม่ปล่อยลงไปจริงๆหนึ่งมันก็ไม่มีอะไร หรือบางที่มันเห็นไฟมันอยากจับไฟนียก็ให้มันจับลองดูสักหน่อยอย่าให้มันจับจนเกิดพิษเกิดภัยมันก็กลัวแล้วแต่เราสัมผัสกับความรู้สึกตัวเหมือนกับเด็กอยู่กับอกของแม่เวลาปล่อยมันมันก็ไปถูกอะไรเข้ามันก็เกิดหลาเป็นแต่เรามีความรู้สึกตัวแล้วน่ะพอมันหลงไปมันก็รู้จักเข็ดหลับมัก็กลับเข้ามา เอาควาทุกไปมันก็เข็ดหลอมก็กลับเข้ามาบางทีมันกลับมาเอางด้วย <c oughs> ถ้าเราสัมผัสดีๆ <Yahoo! S 1> แต่ถ้านักปฏิบัติบางทีเนี่ยหลงก็ไม่รู้พอหลงก็ยังเหมือนกันกับเหมือนกับกับความรู้ <c oughs> ความทุกข์ความสุขก็เหมือนเหมือนกันความไม่ทุกข์ความไม่สุขก็เหมือนกันเรียก <c oughs> ว่าไม่ได้ไม่ได้สัมผัสไม่ได้ปฏิบัติ ไม่ได้โตดโตปไปได้ทักท่วงในบทเรียนที่เราได้เกิดจากการกระทาเรียกว่าอารมณ์ของกับมฐานมันก็มีโอกาสชนะไปชนะอะไรชนะที่มันสิ่งที่มันไม่เป็นธรรมจรีิไหนเป็นธรรมมันก็งอกงามสิ่งที่ไม่เป็นธรรมมันก็พ่ายแพ้ไปหมดท่าตุไปหมดท่าไ ป, ห ม, าไปหมดโอกาสเกิดแห้งไปก็ได้ เหมือ น, มนเมล็ดข้าวที่เก็บไว้สองสามปีไม่มีโอกาสไปถูกดินถูกความชื้นนั่นก็บมเชื่อเอาไปเพาะมันก็ไม่เกิดต่อปีที่สี่ทีที่ห้าถ้าวางไปเพื่ปีที่สามนี่นก็เพาะไม่เกิดแล้วมันเปาะวางกิเลสจะทำบางอย่างมันก็เปราะบางเหมือนกัน เพรางเหมือนกันเหมือนปลาน้ําจืดปลาน้ําเค็มปลาน้ําเค็มเนี่ยก็ขายกขึ้นพ่นน้ําเท่านั้นแหะกระดิกหางสองครั้งเท่านั้นแหะตายแล้วแต่ปลาน้าจืดเนี่ยเอาขึ้นมาวางไว้ตัวแห้งกระโดดลงน้ำนั่นได้แต่ปลาน้ําเค็มเนี่ยขยยกขึ้นมาวางบนหัวเรือตีหางแป๊ะทีเดียวตายแล้ว บางทมันก็ก็ใจสอกัหมกันกิเลสจะทำบางอย่างทำท่าทำทางใหญ่โตพอดูจย็นเก่งมันก็ไม่มีสาระอะไรอารมณ์บางอย่างบางทีเราไปพูดว่าโลภโกรธหลงน่ะเป็นเรื่องยากแต่ยิงมันไม่ยากเป็นกราบนอกที่สุดเรามีความรู้สึกตัวมีความรู้สึกตัวไป ควารู้สึกตัวก็มีอะไรหลายอย่างที่เป็นสิ่งเว็ดร่มให้เกิดความชอบธรรมในเวลาเราปฏิบัติมนสติมีสติยิ่งไปเห็นรูปเห็นนามเห็นความไม่เที่ยงที่เกิดขึ้นกับรูปนามความโลภความโกรธความหลงไม่มีที่ตั้งเลยไม่มีที่ตั้งเลยความโลภความโกรธความหลงหาที่ตั้งไม่ได แม้แต่เวทนาที่มันเกิดขึ้นเกิดลูกกำนามแม้ ม, มันมีที่ตั้งมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวใช่ตนยิ่งความโลภ ค, ความโกรธความหลงยิ่งเหลวไหลแต่เห็นลูกทำเห็นนามทำเห็นลูกทุกนามทุกเห็นลูกโลกเห็นนามโลกเห็นลูกสมมตุตินามสมมตุติลือ่ถอถดไปหมดเลยเกลี่ย อารมณ์ของกรรมฐานเนี่ยมันมีพลังมาทีไรก็หมดเกลี้ยงไปอ่อนไปอ่อนไปเหมือนนักลบที่เขาทำลายกองทัพนักรบที่ฝึกดีทำลายกองทัพคู่ศัตรูเขาก็จายกองทัพให้พลังของเขากระจุยกระจายไปให้มีพลังน้อยแต่นี้เขาก็เลาหลือนักลบนาม เนปาลประเทศเนปาลสนามฝึกรบของเขาก็วิ่วงขึ้นโูเขาหิมาลัยทหารเนี่ยเราไปนอนอยู่โพเขาหิมาลัยนะเรานอนอยู่ใกล้ๆกับทางทางขึ้นเขาหิมาลัยเราก็นอนสูงเพื่อนดินไปยี่สิบสามสิบกิโล ไึกไกลก็นั้นมองเห็นสนามบินข้าววานะ <c oughs> แล้วก็วิ่งขึ้นวิ่งลงตลอดคืนเลยพวกทหารเนปาลเงา น, นเขาทหารประเทศตื่นเขาต้องมาจ้างทหารเนปาลไปฝึกให้ทหารเขาทหารเนปาลเขาไอ่คิขีฝึกทหารฝึกนักลกให้ทั่วโลก เขาเขเชี่ยแข็งพราเขาวิ่งขึ้นเขาลงเขาการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เมานกันการที่ได้อดทนการที่ได้สู้การที่ได้เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้นะเปลี่ยนความผิดเป็นความถูกเปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์เปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธมันเป็นพลังนะมันเป็นพลังถ้าเป็นนักลบก่อ ชนะหลายหลายเวทียิ่งไปมีอารมณ์เห็นรูปทุกน้มทุกเห็นความทุกเป็นการเห็นอย่างประเสริฐกระตือรือร้นทอใจที่จะเกี่ยวข้องกับความทุกอย่างถูกต้องรูปทุกน้มทุกช่วยทันทีเหมือนแม่เหมือนพ่อที่เลี้ยงลูก อะไรที่ลูกมีทุกข์เอาใจใส่มากๆแก้กปัญหาความทุกข์ได้ที่สุดแต่แก้ปัญหาความทุกข์เนี่ยไม่ได้ไ ม, ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ความเป็นพ่อเป็นแม่สุดฝีมือสุดหัวใจในี่นเกี่ยวกับลูกเนี่ยมันไม่ยากเหมือนกับลูกเหมือนพ่อแม่เลี้ยงลูกลูกทุกข์เนี่ย มันไม่ยากตอนนั้นเพราะมันเป็นเรื่องของเรามันทุกข์อยู่ที่รูปก็รูปแหลวมาเป็นตัวไม่ทุกข์มันทุกข์อยู่ที่น้มก็น้ำนั่นแหละมาเป็นตัวไม่ทุกข์อะไรพาให้ทุกข์ก็ทําตรงนั้นมันก็มีเลยมันไม่ใช่ทุกข์ดุนดุนขึ้นมามันไม่ใช่หลงดุนดุนขึ้นมามันมีทิศทางเรียกว่าปัญญาเหมือนกันการปฏิบัติธรรม เจริญปัญญาเห็นนะอย่างที่เราสวดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นพระพุทธเจ้าผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทกือเนื่องด้วยกันไม่ใช่เกิดดุนดุนขนมมันหลงน่ะอะไรที่มันเกิดความหลงมันก็มันก็เห็นเหตุของมัน ง่ายนิดเดียวกันอะไรที่มันทําให้เกิดความโกรธอะไรที่ทําให้เกิดความทุกข์มันเห็นเนื่องสิ่งที่เนื่องด้วยกันเห็นสิ่งที่เนื่องด้วยกันมันก็แย่ยสิ่งที่เนื่องด้วยกันเหมือนเราก็ไปอยู่ น, ย น, ยนิวยอร์กประตูมันเปิดยาก เลยสั่งให้พระจีนฝ่ายมหาญาญซื้อเลื่อยตัดเหล็กมามันเป็นเดือยมันติดนิดเดียวเราเปิดเราดึงออกมาไม่ได้ปลุกบิดเนี่ยมันติดรูนิดหน่อยเราเลยไปปิดชดชดเนี่ยที่ว่ามันจะดึงออกมาง่ายเราก็ คิดว่าเราก็เป็นช่างเราก็คิดว่าเราทำได้แค่นี้เองพอไปบอกพระล้วพระเขาอยู่ที่นั่นก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เราเไปบอกช่างมาไม่ใช่ไปซื้อเลื่อยเขาก็มีวิธีเขาก็ไปไขคุณเจหมุนหมุนเกลียวหมุนน็อตเป๊บเดียว เราก็เปิดได้ทันทีเราไม่ต้องเอาเลื่อยไปตัดนะโอ้คนไม่มีปัญญาเอเลื่อยไปตัดคนที่เขามีปัญญาเขาไขควงไปหมุนแป๊บๆนี่เดียวพอหมุนแล้วเขาก็ยกนิ้วแล้วเขาให้เราเปิดลองดูช่างครับเปิดเราปั๊บปอกมาล้วก็โอเคนะโอเคโอเคอ๋อยกนิ้วแป๊บเดียวทันทีเลยโอ้เรายังไปสั่งซื้อเลย เปิดหนึ่งก็หลายปายเขาไขควงก็อยู่กับเขาเขาก็ไปกัดไปดมมันนี่มันเนื่องด้วยกันคนทุกข์แต่ง่ายเหมือนกับการแเจทุกง่ายเหมือนกันเราไปอดเราไปทนเราจะไปห้ามตัวทุกข์เลยไม่ห้ามตัวโกรธเลยเวลาโกรธก็ห้ามไม่ให้มันโกรธทนเรากัดปันหน้าดำหน้าแด ไม่ใช่พรามันโกนรธแสดงว่ามันหลงเรามีเครื่องมือแ ล, ล้วก็เสริ่นสติกลับมาหายใจเข้าหายใจออกอเก่งริงๆหายใจเข้าหายใจออกสองรอบเท่านั้นแหะมีสตินะความโกรธหายไปเลยไม่ใช่ไปดุไปด่าเขาไม่ใช่ไปอดไปทนไม่ได้นนนทนะทำมันที่มันถูกต้อง น, ะนี่เราก็ได้หลับตั้งแต่เริ่มต้นกรรมฐ า, านยกมือเคลื่อนไหวไปมาหายใจเข้ารู้สึกตัวนะ่ะ หลักตรงนี้ฉเฉลยไปตลอดหลักของกรรมฐ า, านทางเส้นนี้ฉเฉลยไปตลอดเหมือนเราเดินทางจากกรุงเทพจากไหนามามายทนนี่ไหนทางเส้นนี้ก็ฉเฉลยมาชายอภูมิกรุงเทพที่เที่ยวที่เที่ยวก็ต้องอยู่ทางนี้แหละตรงเมื่อเราไปคอนบรุรีเนี่ยเราไปคอนบุรีเนี่ยไปออกโคราชเข้าโชคชัยเข้า คนบุรีอคนหนูเขบอกว่าทําไมไม่ไปเจพรมโชคชัยทำไมไม่ไม่ต้องเข้าคอนลาดมันไม่ตรงมันเป็นศอกกันะที่เราไปมันตรงกว่าไปที่ไหนก็ต้องไปทางนี้ไปทางอื่นไม่ตรงการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันตัวนี้เป็นตัวเฉลยตัวลู่ก็ลู่ข้างเดียวลู่ข้างเดียวไปจบตลอดพบตลอดชาติ มีสติก็สติตัวนี้ใช่ไปตลอดชาติหายใจก็เป็นสติเพื่อนไหวก็คือสติอันเดียวเนี่ยแต่ว่ามันชำนิชานานความรู้สึกตัวชํานานกับกายผมรู้สึกตัวชํานานกับจิตใจผมรู้สึกตัวชํานานกับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับกายกับจิตเหมือนไหนช่างที่เขามีมีดเล่มเดียวมีสิวเล่มเดียวมีขวัเล่มเดียว สร้างบ้านสร้างเรือนมีข้อนตีตะปูมีตลบเม็ดมีไม่ฉากเล้วเขาจะปูบ้านก็กลางฉากระดับน้ำระดับน้ำเทียงห้าสิบห้าสิบสี่สิบห้าระดับเพียงเท่าไหร่อันเดียวเราสร้างบ้านได้หลายรูปแบบการเจริญสติมันแตกฉานเหมือนกันนะไม่ใช่เราจะโง่ไป บางทีไม่ต้องไปทไําเลยถ้ามันรูปมันก็รูปไปตัวรูปมันตามเฉลยได้ยิ่งได้รูปได้น้ำเห็นรูปเห็นน้ำรูปน้ำตามเฉลยไปหมดเลยรูน้ำตามเฉลยไปหมดเลยอารมณ์มันตามเฉลยไปหมดเลยอะไรที่มันรูปมาก่อนมันก็ช่วยไปแก้ไขเลยไปเลยไปมันได้หลักฐานมันได้หลักฐานมันเป็นพิพากษาตุล า, าการให้ความเป็นธรรมตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดหม้ปลายทาง อารมณ์ของกรรมฐานไม่ใช่เราสุ่มสี่สุ่มห้ามันก็เดินไปแบบนี้แหละมีสติเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเห็นรูปเห็นนามเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่เฉยตัวตนเห็นรูปทุกข์นามทุกข์เห็นรูปทำนามทำเห็นรูปโลกนามโลกเห็นสมมุติเห็นบัญญัติเห็นอะไรมาลื้อออกไปลื้อออกไปลื้อกไปลื้อข้างหนึ่งไม่สัดลื้อออกไปเรื่อยๆมือกับเรา ไม้เที่ยวมาทําบ้านมันเป็นต้นไม้มันมีกาบมีเปลือกเอาขวานเอาขวานไปฟันเอาขวานไปถาบเอาเลื่อยไปเลื่อยให้เป็นรูปเป็นล่างมันก็ยังไม่เรียบร้อยเอากบมาใสเราเลื่อยขวานออกไปเอาเลื่อยออกไปเอากบออกไปเอาอะไรอีกันฮะเอากระดาษสายเข้าไปแช่ไง ขัดเข้าไปแล้วก็เลียบเข้าไปละอารมก็มาฐานก็มากันเห็นรูปทำนามทำเป็นรูปแล้วบันเห็นรูปออกไปแล้วไม่ไม่สับสนแต่ก่อนมันต้นชนปลายปลายชนต้นสับสนพอเห็นรูปเห็นนามได้รูปแบบการเลื่อถอนรูปทำนามทำโดดทำนามเข้าไปทําได้รูปทุกนามทุกเห็นรูปทุกนามทุกกระบวนการเนี่ยการแก้ทุก รูปโลกนามโลกขบวนการแห่งการแ ก, ก้ทุกข์รูปสมมุตินามสมมติรูปบัญญัตินามบัญญัติเสร็จเลยวัตถุอาการต่างๆเห็นสินน่งอมันลื่อไปลือปล่อไปเลือ่อไปนะเห็นสมมุติต เ, ique, เห็นบัญญัติวัตถุอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับรูปคำนามนามพ้นจากตัวนี้ได้สมมุตมิตตต <weren 't, S 2> เป็น เป็นจุดหมายปลายทางการเข้าประตูธรรมผ่านสมมุติบัญญัติสมมุติบัญญัติระตูอาการต่างๆอจืดแต่จะเป็นความโง่หลงงมงายจืดไปหมดเลยความสําคัญนั่นหมายที่ถิมานะอุปทานทั้งหลายจืดหมดเลยวางหมดเลยนะเบาแล้วกันตาละหูตาจิตตาละหูตาความเบากายความเบากิต ไม่มีเพราะว่ามันอะไรมันก็สมมติทางนั้นสมมุติบัญญัติมันรู้เพื่อขูดเกลามันรู้เพื่อลื้อถอนไม่ใช่รู้แบบไปจําเอาความรู้อารมณ์ของกรรมฐานมันรู้มันรู้เห็นพบเห็นเ อ, อเห็นพบเห็นเนีย่ยแหละเรญญ า, าเห็นสมมติเห็นบัญญัติเห็นวัตถุเห็นเาการณรู้เรื่องบุญรู้เรื่องบาปรู้เรื่องศาสนา เรื่องพุทธาศาสนาจบตรงนี้อารมณ์เบื้องต้นตรงนี้บางบางเพนทางกิดมีสติดูกิจไม่กิดดูกิจตรงนี้ก็จิตใจก็เปลี่ยนนะมีสติดูกิจไม่กิดดูกิจเวลาใดที่มันคิดปั๊บทันทีไวไปนเนพราะตรงนี้เราไม่ได้ไม่มีอารมณ์มาคล้องมาเกี่ยวแล้วแตะโกนความงงเอาหอนอนความเชื่อทุกข์สอนความละเลยสงสัยมันขวางกัดน้น พอมันบุกเปิกไปได้มันไม่มีจะไยเป็นทางแล้วหองขึ้นหลังก็เป็นทางถ้าถ้าว่ามันอยู่นิ่งมันไม่ไปไหนก็ทบทวนอารมณ์ทบทวนอารมณ์เหมือนกับพุ่งเหมือนกับเหมือนกับลดเวลามันติดโคนมันก็ถอยหลังกัพุ่งไปเนี่ยมันมีกําลังนะหรือว่าเรายิงธนูเนี่ยก่อนที่มันไปขนาต้องดึงขึ้นหลังพอเดินขึ้นแล้วนี่เอียงหนังสติ๊กนี่ย ดึงขึ้นทั้งหลังระวังไปมันก็บวิ่งไปข้างหน้าถ้าเราทําอะไรมันจืดมันชืดมันไม่รู้อะไรไม่แต่ตัวรู้เฉยไม่ไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรเลยก็ถอยหลังมาดูอารมณ์รูปทำนาทําไปอรีบมันกับพุ่งได้เหมือนกันเคยเคยช่วยตัวเองเคยสอนคนอื่นด้วยอผมทำไมไม่ไม่รู้เลยหลงคออยู่นี่เป็นเดือนแล้วไม่แต่ตัวรู้เฉยเฉยคิดมันก็ไม่คิด มันก็มีแต่ตัวรู้เดินไปมีอะไรเดินมันก็ไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรให้แต่ตัวรู้เฉยๆมันไม่มีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นเองรู้เฉยๆเป็นเดือนสองเดือนก็ก็บอกให้ขอถอยกลับถอยกลับอารมณ์ลำดับอารมณ์ลำดับดูเขาเรียกว่าไวสีไวสินยกมือเขื่อนไว้ไว้มาลำดับลำดับลำดับพอไปถึงจุดหมายไปทำก็ไปได้เลย ควาเพยทางจิตควมเพีทางจิตมสติดูจิตมีจิตดูกิจน่ะจิตมันตรงไหนที่วะเนมีสิมันคิดคิดที่เป็นนิสัยของกิตที่มันไม่อยู่อำนาจของใครมันคิดไปคิดตัวสติมันวัยขึ้นมันเข้นขึ้นทันขึ้นน่ะทันขึ้นทันขึ้นเห็นขึ้นทันขึ้นอืมผลสุด จะเอ่อกันระหว่างความรู้สึกตัวกับความคิ ด, ค ด, คดพองท่ายเลยคมคิดที่มันไม่ได้ตั้งใจไม่มีท่าอะไรในก็เป็นการจิตใจมันก็เปลี่ยนมันล่วงข้ามไปละที่สุดก็มาดูมาดูวนันนสิ่งที่โชว์อยู่ขัดท่าเวทนาสัญญาสังขันมิญฉาที่เป็นขัดที่เป็นนาม ส่วนรูปมันก็เป็นมาเป็นรูปที่มันเกิดจากอปปะฐานเช่นนามมรูปมันเกิดจากอายตนะรูปนามมันเกิดจากเหตุปัจจัยของคันบิดามันดาสังเสทชะคันทชะชะลาพุทธโอปาติกะแต่ว่านามะรูปมันเกิดจากอายตนะตาหูจมูกเลี้ยกายใจรูปลดกลิ่นเสียง เวทนาหนึ่งเป็นขั น, ข, นขันที่ไม่อุปทานพอไม่มีอุปทานในเวทนาขันมันก็โชวมันไม่มีอะไรมีแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันรวมกันรวมกันมันโชว์อยู่ตรงนี้ตรงนี้เราก็แล้วก็ไปเห็นเข้าไปรูปไปเห็ดไปเกี่ยวข้องนะอารมณ์ของกรรมฐาน อย่าไปเห็นนั้นเด็ดอย่าไปหาเด็ดนะบางคนอยากจะเห็นนั่นโน้นนั่นนี่อยากจะเห็นนิมิตทําไมไม่เป็นเหมือนนั้นยิ่งหลวงพ่อพูดคิดไปเขาไม่ต้องไปคิดนะไม่ใช่พูดให้คิดแต่ว่ากรุยทางไว้เขียนแผนที่ให้มันต้องไปแบบนี้ไม่ใช่ไปแบบสงบนิ่งเห็นนิมิตเห็นอะไรต่างๆเป็นศักดิ์สิทธิ์ฤทธิปฏิหารไม่ใช่นะมันจะหลงอยู่ตนแต่เรื่องนี้มันจะหลงอยู่ตอนอารมณ์รูปนามะ ตกแหลงความรู้นะเป็นตะ ก, กัศิลาตรงนี้ตกแหลงความรู้โอ้ยไม่เคยรู้ไม่เคยมีความสุขมันจะหลงแบบความสุขมันจะหลงแบบความรู้ได้เหมือนกันถ้าให้หลงตรงนี้ก็ง่ายแล้วนะถ้าหลงตรงนี้ก็เป็นวิปัสสนูเสียเวลาอีกสักห น, น่อยให้ก็มีพระมาบอกพ่ไป อสอนทำที่คนบุรีเขว่าเอ๊ะพระสอนกรรมฐานสมัยตักวันนี้ไม่เหมือนสมัยหลวงพ่อเขก็ลอยมาพูดร้อยอย่างไม่ได้สอนให้ทำไม่ได้สอนให้รู้หลวงพ่อเทียนให้สอนให้ทําสอนให้รู้ในแทบจะไม่มีหลวงพ่อเทียนสอนให้ทํา การสอนให้ทำเนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นที่ว่ากรรมฐานถ้าสอนให้รู้นะมันเป็นจินติตตรมัยะปัญญาไม่จริงอันไม่หมดมันยังวกกยังวลมันยังกลับมามันเริมถ้าสอนให้ทำให้เห็นเนี่ยมันไม่กลับมาถ้าหมดมันก็หมดไปเลยคามโ ล, มลภขมโกรธามหลงามหมดไปเลยที่เหลือตอนหาละคะก็หมดไปเลยถ้าสอนให้รู้นะรู้จงึงเกงควบคุมได้ ควบคุมได้แต่ว่าถ้าเพิ่มมันก็ยังใหม่อยู่ยังชุ่มยังเปียกถ้าสอนให้เห็นเนี่ยถ้าเห็นเนี่ยเพราะว่าที่เห็นเนี่ยมันก็แน่นอนที่สุดหรอกเห็นทุกมันก็ต้องไม่ให้ทุกเกิดขึ้นเห็นอะไรมันก็ต้องไม่ตัวเองเป็นโทษเป็นภยัย <c oughs> มันก็อยู่เห้ือทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นอารมณ์ของกรรมฐานที่เราสอนกันอยู่นี่ยมันมี มีทิศทางตามที่พระพุทธเจ้าสนพวกเราแต่ว่าการเข้าใจการบรรลุธรรมอาจจะไม่เหมือนกันแล้วแต่จังหวะบางคนก็เป็นเอตตะะตอามันพร้อมแล้วตอนมันพร้อมเราก็เกิดขึ้นแบบไหนก็ได้การบรรลุธรรมการมีศิลปะต่างกัน เก่นวัดป่าสุขโตจานวรเทพก็การสอนธรรมก็ํำนอนหลายอย่างเก่นการใช้สื่อจานเหตุผลผมยังเอาม้นเทพที่นั้นว่าจะไปเปิดให้เขาฟังอืมก็ดีเพราะว่าไม่เคยเห็นนะแล้วก็มีปัญญาหลายลูกหลายองค์ไม่ต้องไป ดัดตัวเองให้เป็นอันเดียวธรเมิตเถื่ไปมันเป็นปัญญาเรียกว่าพระหุปัญญาพุทธศาสนาเป็นพระหุปัญญาถ้าจะรู้เรื่องอริธรรมก็เพรา ะ, ะโมคันลาถ้าจะเรื่องปัญญาอโมฆันลาหรือสารีบุตรจะเป็นนักเทศเสียงดีก็มีเป็นพระโสนโกริวิตะแต่เป็นช่างก่อสร้าง อะไรล่ะฮะจำไม่ได้รอกหลายลูกปเลิดต่างๆกันไปเนี่ยก็เราอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวให้มั่นใจในการกระทําในวิชากรรมฐานเป็นวิชาหนึ่งเดียวไปเส้นเดียวไปถึงที่เดียวไปคนเดียว ไปทางเดียวกันกับพระพุทธเจ้าแน่นอนการเจริญสติปัฏฐาน